ความว่างโดยพระธรรมโกษาจารย์เงื่อมอินทปัญโยหรือท่านพุทธทาสภิกขุธรรมะที่เป็นประโยชน์แก่คารวาสคือเรื่องสุญญตาท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายในวันนี้จะได้ว่าด้วยเรื่องความว่างเนื่องจากการบรรยายครั้งที่แล้วมาได้กล่าวถึงความว่าง ในฐานะที่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งแต่โอกาสไม่อำนวยให้กล่าวถึงเรื่องนั้นแต่เรื่องเดียวโดยเฉพาะเพื่อความเข้าใจที่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นเรื่องความว่างจึงยังมีความคลุมเครืออยู่บางประการจึงได้มีการบรรยายเฉพาะเรื่องความว่างอย่างเดียวในวันนี้ท่านทั้งหลายควรจะทราบว่าเรื่องความว่างนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจยากที่สุดในบรรดาเรื่องของพุทธศาสนา ทั้งนี้เพราะว่าเป็นเรื่องหัวใจอย่างยิ่งของพุทธศาสนานั่นเองสิ่งที่เรียกกันว่าหัวใจก็พอจะมองเห็นหรือเข้าใจกันได้ทุกคนว่าหมายถึงสิ่งที่ลึกที่ละเอียดสุ ข, ขุมปราณีตไม่เป็นวิสัยแห่งการเดาหรือการตรึกไปตามความเคยชินหรือตามกิริยาอาการของคนธรรมดาแต่จะเข้าใจได้ก็ด้วยการตั้งอกตั้งใจศึกษา คำว่าศึกษานี้มีความหมายอย่างยิ่งอยู่ตรงที่การสังเกตสนใจสังเกตพินิษพิจารณาอยู่เสมอทุกคราวที่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับใจที่เป็นความทุกข์หรือเป็นความสุขก็ตามผู้ที่มีความคุ้นเคยกับการสังเกตในเรื่องทางจิตใจเท่านั้นที่จะเข้าใจธรรมะได้ดีผู้ที่เพียงแต่อ่านไม่สามารถจะเข้าใจธรรมะได้บางทียิ่งไปกว่านั้น ก็คือจะเฟือแต่ถ้าเป็นผู้ที่พยายามสังเกตเรื่องเกี่ยวกับจิตใจของตัวเองโดยเอาเรื่องจริงในใจของตัวเองเป็นเกณฑ์อยู่เสมอแล้วไม่มีทางที่จะฟั่นเฟือจะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์และความดับทุกข์ได้ดีและในที่สุดก็จะเข้าใจธรรมะคือจะไปอ่านหนังสือก็จะรู้เรื่องดีลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่ามีสเปริจิวเอ็กซ์เรียนส์มาก คนเราตั้งแต่เกิดมาจนกว่าจะตายยอมเต็มไปด้วยสิ่งสิ่งนี้คือการที่ใจของเราได้สัมผัสกันเข้ากับสิ่งแวดล้อมแล้วเกิดผลเป็นอะไรขึ้นมาคราวไหนเป็นอย่างไรและคราวไหนเป็นอย่างไรเพราะว่าเรื่องที่เป็นไปเองนั้นย่อมมีได้ทั้งฝ่ายที่เป็นทุกข์และทั้งฝ่ายที่ไม่เป็นทุกข์คือทำให้ฉลาดขึ้นและมีจิตใจเป็นปกติเข้มแข็งขึ้น ถ้าหากว่าเราคอยสังเกตว่าความคิดเดินไปในรูปใดก่อให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาความคิดเดินไปในรูปใดก่อให้เกิดความว่างจากความทุกข์อย่างนี้แล้วจะมีความรู้ที่ดีที่สุดและมีความเคยชินในการที่จะรู้สึกหรือเข้าใจหรือเข้าถึงความว่างจากความทุกข์นั้นได้มากขึ้นจะต้องทําในใจว่าอย่างนี้จึงจะเข้าใจเรื่องที่เรียกว่าลึก หรือปราณีตละเอียดสุ ข, ขุมเช่นเรื่องความว่างนี้ได้ท่านทั้งหลายควรจะระลึกถึงข้อที่ได้กล่าวในการบรรยายครั้งก่อนว่าพระอัฏถกถาาจารย์ทั้งหลายเรียกพระพุทธเจ้าว่าเป็นแพทย์ในทางวิญญาณและแบ่งโรคของคนเราออกเป็นโรคทั้งฝ่ายร่างกายจิตใจและโรคทั้งฝ่ายวิญญาณ โรคที่เราจะต้องไปโรงพยาบาลตามธรรมดาหรือไปโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาที่ปากครองศารเหล่านี้เรียกว่าโรคทางกายทั้งนั้นส่วนโรคทางวิญญาณ น, นั้นหมายถึงที่ต้องแก้กันด้วยธรรมะเพราะฉะนั้นจึงมีโรคทางจิตหรือทางวิญญาณอีกประเภทหนึ่งต่างหากจากโรคทางกายข้อความในอัตถกาถาเรียกโรคอย่างนี้ว่าโรคทางจิต ในภาษาไทยเราเอาคำว่าโรคจิตนี้มาใช้ที่โรคทางกายเช่นโรคที่จะต้องไปโรงพยาบาลจี่ปากคลองศานนั้นเราเรียกกันว่าโรคจิตแต่โรคอย่างนี้ในภาษาบาลีในทางธรรมะเรียกว่าเป็นโรคทางกายอยู่นั่นเองและแบ่งโรคเป็นโรคกายกับโรคจิตจึงมีต่างกันกับที่เราแบ่งกันในภาษาไทยเรา อัตมาได้ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าท่านทั้งหลายจะเข้าใจโรคก็ควรจะแยกเป็นโรคทางกายแท้ๆคือทางฟิสิกส์แล้วโรคทางกายที่ลึกเข้าไปคือทางเมนเทลทั้งสองอย่างนี้เอาไว้ทางฝ่ายร่างกายส่วนอีกฝ่ายหนึ่งนั้นก็คือฝ่ายสปิเรชั่วคือโรคที่เกิดแก่สติปัญญาไม่ใช่ที่เกิดแก่ระบบประสาทหรือมันสมอง แเกิดแก่ระบบของสติปัญญาที่จะรู้จะเข้าใจชีวิตหรือโลกตามที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นท่านจึงหมายถึงความหลงหรืออวิชชาหรือความเข้าใจผิดที่เนื่องมาจากอาวิชชานั้นจนมีการกระทาที่ผิดผิดจนต้องเป็นทุกข์ทั้งที่เราไม่เป็นโรคทางฟิสิกอลหรือทางเมนเทลนี้เป็นความหมายข้อแรกที่จะต้องถือกาหนดไว้เป็นพื้นฐาน